สำหรับการแนะนำคำในการจเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ยังจะไม่พูดถึงมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งสี่เพราะว่าถ้าจะพูดไปก็เกรงไปว่าความสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติของบรรดาท่านทั้งหลายจะไม่ครบท้วน มาจากอิธิบาทสี 4, ซึ่งมีความกำลังสำคัญในการทำทุกอย่างคำว่าอิธิบาทสี 4, นี้คิดว่าท่านหลายยังไม่ลืมอิธิบาทสี 4, เป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบกิจการงานใช้กำลังอิธิบาทสี 4, เขาช่วย เป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่องจะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญใ น, นทางจิตขอทวนีครั้งหนึ่งไวที่บาท4ีก็คือหนึ่งชั้นทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทำ สองวิทยะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสามจิตตะอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะพึงทำไม่ละเลย <c oughs> ไม่ไม่ทำจิตให้เหนินห่างไม่พลัง้งไม่เผลอจดจ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้ได้และสีวิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจารณาใครโครเสียก่อน ให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลโช่วเป็นประการใดแล้วก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกที่ในสายที่มีผลชัว่วนี่ถ้าดิบัดสีมีครบถ้วนแล้วก็เจรณาสิบ้ า, าประการของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะครบถ้วนด้วยแล้วก็สามารถจะควบคุมบารมีทั้งสิบประการให้ทรงตัว าการในสามอย่างที่กล่าวมานี้ขอบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายจงทรงให้ครบให้ทวนอย่าให้บกพร่องเป็นขาดแต่คืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็่าเสียใจมากตั้งนี้พราร้ผู้ว่าถ้าปล่อยให้การในสารนี้บกพร่องความสาเร็จต่างๆที่ท่านต้องการจะไม่มีผลเลย เป็นพระก็จะไม่มีผลในด้านความเป็นพระเป็นครว่าสก็จะไม่มีผลในการงานที่ท่านจะพึงทำเป็นอนว่าต้องพยายามควบคุมให้ทรงตัวแต่ได้ว่าการเจริญพระกรรมฐานเพื่อการบรรลุมรรคผล คำว่ามรรคผลนี้ก็ไม่ได้เกณฑ์ว่าจะต้องให้ท่านเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคีอนาคาเมตพระอรหันเสมอไปแล้วความตั้งใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ควรจะตั้งใจอยู่ในเกณฑ์นั้นว่าเราต้องการผลสูงไม่ต้องการผลต่ำ เพราะทำอะไรถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีรมตัง้งใจที่เรียกกันว่าอธิฐานบารมีทำแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทําเหมือนกับคนเดินทางถ้าเราออกจากบ้านแล้วก็คิดว่ามันจะไปไหนก็ช่างไปมันส่งเดชไปตะวันเนี้ยไปอะไรว่าไปส่งอย่างนี้ผลมันก็ไม่ดี มันจะดีได้ยังไงบรรดาท่านอย่างไรเพ ร, ราะว่าไม่กันไปไม่หาจุดหมายปลายทาง <c oughs> มันไปที่จุดเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีไม่ได้ถ้าเรามีเจตนาเจาะจงว่าวันนี้เราจะไปไหนแล้วก็เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างนี้การเข้าถึงจุดนั้นก็เข้าถึงได้เร็ว <c oughs> ก้อนนี้มีประมาณชั้นใดในการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการตั้งใจไว้ก่อนว่าตั้งเกณฑ์ไม่สูงเกณฑ์อันดับแรกที่เราตั้งไว้ก็คือพ ร, ร, ระอรหันต์เพราะราบทมาความนี้เราต้องการความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่บวชศักด์แต่ว่าบวช ไม่ใช่บวชตามระเพณีจะคิดว่าสวดสักวบทวบบวชวตามประเพณีก็มีหวังอเวจีมหานรกไม่มีทางรอดเพราะว่าพระเราหนี้แม้แต่พระด่าพระเท่านั้นอย่างสุวรรณมะฉาเป็นพระอยู่แต่ว่าเธอมีพระไม่เป็นพระไม่สมัมมล ו ชอบด่าพระโดยกันเท่านี้เธอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ซือพระแล้วนี่บาปก็บาปหนะักถ้าจะมีบุญก็มีบุญหนะักที่นั้นในเมื่อการตั้งใจของเราก็ตั้งไว้ให้หนักคือตั้งเอาอารหันต์เลยืล่อบวนคราวนี้เราต้องการเป็นพระอรหรันต์ เมื่อตั้งใจไว้สูงเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้เดีว่าเดินทางไกลขึ้นต้นไม้เราต้องการขึ้นให้ถึงยอดแต่ว่าเอิญมันไปหมดแรงจริงๆถ้าไม่ถึงยอดอย่างต่ำที่สุดมันก็ถึงครบค่าคบข้างล่างคือกิ่งใหญ่ข้างล่างเป็นอันว่าเราก็มีโอกาสได้ขึ้นถ้าเราจะคิดว่าเอาขึ้นมันสูงมันจะขึ้นได้แต่ไม่ได้ก็ช่างขึ้นมันสูง นั่นดีไม่ดีก็แต่กายเหนื่อยเปล่าอยู่ข้างล่างถั่นนั้นเพราะขาดวิทยาอุสาหะข้อนี้มีประมาณชั้นใดการเจริญกรรมฐ า, านในาการบวชพระก็ไมนกัน <c oughs> <c oughs> ผมข อ, อนำแบบฉบับเก่าๆที่ท่านพระโบราณาจารย์ท่านเขียงคำขอบรรปัายชาวไว้ว่านิพานาสสะสติกริยายะเอตังกาสาวางาังกะเหตวา บางทีท่านจะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามมันก็มีความจำเป็นถ้าเราไปนิยมตามคลิกบุคคลดีเขาไม่ใช้นะั่นแสดงว่าเรามาจะตามไปตามเขาให้ถือความมุ่งหมายเดิมไม่ว่าการบวชเขามา น, นี่ท่านแปลว่าข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวพัทเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพันธ์ นี่เดิมทีเดียวการอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้นี่ในเมื่อเก่าเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็ควรจะปฏิบัติถือตั้งใจตามบุคคลชั้นเก่าไม่ใช่ว่าศักดิ์แต่ว่าบทไม่แยกศักดิ์แต่ว่าธรรมกันอันนี้การบวชเข้า ม, มาในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่ง มรนดาพระท่านหลายจะเข้าไปในป่ามาเรียกนกรรมาฐานจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตามสมัยโบราณท่านทําอย่างนั้นนะท่านไม่มานั่งรับคําสอนเหมือนเราฟังกันอยู่วันสามสี่ครั้งแบบนี้ท่านฟังกันครั้งเดียวพอฟังครั้งเดียวฟังแล้วก็จําจําแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในป่า ปฏิบัติให้ได้มักได้ผลออกมาเลยแต่ความจริงวัดเราเนี่ถ้าเหมือนจะคิดว่ามันไม่ใช่ป่ามันก็คล้ายป่าป่าก็มีเสียงนกเสียงกามีธรรมวิเวกมีกายวิเวกวัดของเราจริงๆนินี่นก็มีความสงบสงัดพอ เพราะเสียงจากวิทยุเสียงจากขยายเสียงอะไรตัวอะไรขวงเรานี่เสียงโทเสียงเพลงของเรานี่ไม่มีเวลาพักจากการฟังคําแนะนําแล้วก็มีอาการเงียบสงัดจะมีอยู่บ้างกิดเสียงสุนขัขเห่าสุนัขขอนขอนี่เราก็ต้องคิดว่าในป่าว่ในป่าแจะมีเสียงนกเสียงกาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําความดีกันได้ นั่นเราก็ได้เปรียบกว่าพระที่เข้าป่าพระที่เข้าป่าต้องยวงกินต้องดิ้งกัดที่นั่งที่นอนก็ไม่สะดวกอาหารก็ไม่สะดวกแต่ก็ท่านก็สามารถทําความดีกันได้เราอยู่ในสถานที่ดีกว่าท่านมีโอกาสดีกว่าท่านนั่งสบายกว่านอนสบายกว่าอาหารการบริโภค ก, กดีกว่าสถานที่ก็ดีกว่า แต่ถ้าบางเอื่นเราทำดีไม่ได้ก็น่าสลดใจอย่างยิ่งก็แสดงว่าเราเป็นอภัพภพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญอะไรไม่ได้นี่ก็ขอพูดต่อไปว่าเมื่อพระรปเรียนเพื่อกรรมฐ า, านจากพระพุทธเจา้าความจ ร, มริงทราม่ได้สอนมากท่างสอนเล็กๆในน้อยเท่านั้นนับตะ ว, วันพรุ่งนี้ไปท่านจะเห็นบุคคลตัวอย่าง ว่าเวลาที่เขาศึกษากับพระพุทธเจ้าคนดีศึกษาจากพระอริยสงฆ์คนดีเขาศึกษากด้นขนาดไหนแล้วยนที่สุดท่านหลายเรานั่งเข้าป่าชัดกลับออกมาได้ไม่แทงกลับก็เป็นาราหัสนั่กันเลยนี่มีกันอยู่มากพราลีลาแห่งการเจริญเป็นกรรมฐ า, านนี้เข้าถึงผลบรรดาท่านสาธุชน และพิสุสมัมเนยนับตังแต่วันพรุ่งนี้ไปเวลาก่อนที่จะอธิบายเรื่องพระกรรมฐ า, านท่านจะเข้าใจจะได้รับฟังบุคคลตัวอย่างทนี้ก็เป็นอันว่าเมื่อพระไปสอกษาบและกรรมฐ า, านจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนไม่มากนิดนิดหน่อยหน่อยพอเข้าใจ บรรดาแล้วบรรดาพระทั้งหลายลาพระพุทธเจ้าจะเข้าป่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะไปหาภาษารีบุทก่อนเมื่อพระเขไปหาภาษารีบุทแล้วภาษารีบุทก็ถามว่าถ้าเธอไปในแดนไกลถ้าเจ้าบ้านก็ถามว่าเธอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเธอบวชเพื่ออะไรเธอจะตอบเขาว่ายังไง บรรดาพระทั้งหลายผู้นั้นก็จนใจไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงพระสารีบุตรจึงได้สอนว่าถ้าบาังเอิญมีใครเข้ามาถามเธออย่างนั้นขอเธอทั้งหลายจงตอบเขาว่าเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ก็หมายความว่าการดับกิเลสไม่ให้หมด หมายความดับให้หมดให้สิ้นไม่มีเชื้อเหลือหมายถึงความเป็นพระหลนนี่เป็นอนวุวาโบรานาจาร์หรือต้นเหตุแห่งพระพุทธศาสนาท่านมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้เรื่องการบวชเข้ามานี่ท่านมุ่งความเป็นพระหลา์เป็นสาคัญ ฉะนั้นคำขอบรวชาในสมัยนั้นจึงมีคำว่านิพานาสสจิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึ่งแปลเป็นเดีย ว, วามว่าข้าวเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัทให้แจ้งเพื่อทำเพื่อข้าวเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัทเพื่อทำให้แจ้งสิ่งผนิพาน์ เน่เดิมท่านว่ากันมาอย่างนี้นะแต่สมัยนี้ท่านเปลี่ยนไปท่านแปลงไปก็อย่าเปลี่ยนอย่าแปลงกำลังใจคำขอบันบระชาไม่สำคัญสำคัญที่ความมุ่งหมายของจิตของเราเท่านั้นนี่พูดถึงความมุ่งหมายแล้วก็มาพูดกันต่อไปในคราวนี้ก็หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพื่อการต้องการให้เข้าถึงมรรคผล องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาได้ทรงแนะนำกับท่านปัญญวคีรีทั้งห้าที่ป่าอิติอีอิสิตนะมรุกาทายวันเพราะว่าในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตามานเลิกจากการทรมานกายเมื่อสมเด็จพระจอมไตรหันเข้ามาบริโภคอาหารเพื่อร่างกายมีกำลัง เพราะว่าพิจารณาแล้ว่าการทรมานกายนี่พระองค์ทรมานมาถึงหกปีร่างกายสูบหอมอดอาหารอดกลั้นไม่ก็กลั้นกลั้นใจกลั้นลมให้ใจเอาลิ้งกดเพนดานฟันกัดฟันเขไว้กลั้นลมให้ใจอย่างหนักอาหารก็อดจนทั้งร่างกายสูบหอมเอามือลูป ก, กับขนร่วงออกมาตามมือ พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำอย่างนี้ถึงหกปีไม่สำเร็จมากผลอาศัยที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแค่นั้นอำนาจบารมีเดิมจึงโดนบันดาลให้องค์สมเด็จพระวิชิตมาน พิจารณาเห็นว่าการพิจารการทรมารการนอนทรมานกายอย่างนี้ไม่เหตุทางสําเร็จมรรคผลแน่พระรามทั้งหลายทรมานกายไม่เสมอเท่าเราเราทํายิ่งกว่ามากเจนนันองค์สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงึงคิดว่าผลแห่งการมรุมรรคผลน่ากลอยู่ที่กําลังใจไม่ใช่มาฝึกกันที่กาย เอเจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงหันมาสเสวยพระกญาหารเวลานั้นท่านปัญญวิคีหรือศีทั้ห้ามีท่านัญญาโกณัญญ า, านวัปปะท่านอะนอมามะก้อน ญ, ญาโกณัญญาวัปปะอสชิท่านมาหานามจละใครท่า น, นาลืมใช่ไหมเป็นอมาห้าท่านลยกัน เห็นว่าพระองค์สมเด็จประทรงทานมากมากโดยอาหารไม่ปฏิบัติตามแบบตามคนนีไปปลอยองค์สมเด็จพระจอมตรายอยู่แต่พระองค์เดียวต่อมาเมื่อพระองค์เสวยพระกยาหารมีกําลังดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิแก้วเข้าไปที่ใต้ต้นโพ ค, คนดีมีพรามณ์อกญาคามาถวายแปดกรรม สมเด็จพระพูมีพระภาคเจ้ามารับยาคาแล้วก็ปู ล, ลงไปดีโคนต้นโปนั่งหันหลังพิงต้นโปหันหน้าไปทางด้านทิตะวันออกทรงตั้งจิตอดีฐานว่าวันนี้ถ้าเราไม่สำเร็จพปะสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามที เราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดอารมณ์อย่างนี้ขอท่านพระโยคาวาจรนทั้งหลายโปรดรักษากำลังใจตามนี้เพืา่อการบรรลุมรควในศาสนาของอสมเด็จปชินสีอยู่ในจุดที่เรียกว่าเราไม่สนใจกับร่างกายแม้ร่างกายมันจะตายก็เชิญ เราต้องการความดีนีจุดนี้ของบรรดาท่านหลายจนจำให้ดีเพราะในคืนวันนั้นเองคือแบ่งเป็นสามยามยามแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ยามที่สองได้จุตูปปาติญาณเดอทิพยุปญาณรู้่าการตายและเกิดของสัตว์ ว่าสัตว์ที่เกิดมานี่ทั้งหมดเดิมทีมาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วตายไปแล้ประโยชน์ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นตอนที่สามยานที่สามองค์สมเด็จพระทนสุผนฺญบรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณคือทำอาสวัชกิเลสให้หมดสิ้นไปหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ามานั่งพิจรารณา ว่าธรรมที่เราบรรลุนี่ลึกซึ้งกัมีพละภาพมากยากที่บุคคลจะพึงบรรลุตามได้ท้อไทยแต่อาศัยที่พระองค์ทรงเป็นพระสรัพพนิยูยสมเด็จพระบระมมครือก็ใช้อำนาจกำลังยานทราบว่าคนในโลกนี้มีกำลังอยู่สี่ชั้นด้วยกันกำลังของจิต หนึ่งอุคติตันอยู่มีปัญญาดีมากแนะนำเพียงหัวข้อยอ่อๆก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้สองวิปติตันอยู่คนประเภทนี้ปัญญาสามลงนิดหนึ่งเมื่อแนะนําหัวข้อยังไม่เข้าใจต้องที่บายจึงจะบรรลุมรรคผลได้สามเนยยะคนประเภทนี้จะสอนให้บรรลุมรรคลผลไม่ได้ แต่ว่าจะสอนให้เข้าถึงศาสนาคมทรงศีลได้สี่ปทป ร, ะทประมะคนประเภทนี้ใช่อะไรไม่ได้เลยเมื่อพระองค์ทรงท ร, รบาบด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วองค์สมเด็จพระบัพฑแก้วก็มาพิจารณาว่าใครหนอควรที่จะรับประทานคาสั่งสอนเป็นครั้งแรกแล้วก็บรุกมาผลสมเด็จพระเทศพลก็ทรงทรบาบด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ว่าท่านอาราดาบทและอุทกันดาบททั้งสองท่านนี้ถึ่เป็นอาจารย์สอนเรามาถ้าฟังบธรรมเทสนายของเราพิจบเดียวก็จะได้บรรลุอรหันต์แต่เมื่อองค์สมเด็จประสงค์ทัานพิจารณาไปก็ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองตายไปเสียแล้วเวลานี้ไปอยู่ในเพื่ในอรูปภพลมก็ได้สมาบัดแปด ทันจึงคิดว่าโอนหนออาจารย์ขเราชิบหายจากความดีเสร็จแล้วไม่สา ม, มารถจะบรรลุ ม, มาผลได้พิจารณาไปทีก็ทราบว่าท่านปัญญวคีหรือศีห้ามีท่านัญยากโกณัญญาเป็นต้นเรียนท่านัญยากโกณัญญาทัา น, าทานวัปปะทานมาหานามท่านอัศชิ เป็นอนุวาท่านปัญญาวิคีฤรือศีเตหานีถ้ารับปรมทีสนาของเราจะมรุมากผลสมเด็จพระทศพลเกได้ทรงพิจารณาว่าท่นานทั้งห้านี้อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิดิเซอีสิปตนะมฤุทายวันแขวงเมืองพาราณสีสมเด็จพระมาหาหมุนีเจึงทรงสเสด็จไป ขเขาเล่าลัดๆเวลามันน้อยเมื่อเข้าไปแล้วบรรดาท่านปัญญาวคีฤษีทั้งห้าที่แรกก็นัดหมายกันว่าจะไม่ต้อนรับเมื่อเข้าไปแล้วก็ลืมความดืม่มต้อนรับท่านตอนนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านบรมศาสดงเจ้าได้ทรงสแสดงว่าธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลาย ที่เราเรียกกันว่าสแสดงธรรมจักไม่ขอตัดมาเฉพาะเรื่องตอนสําคัญว่าเวลาที่จะเจริญให้เข้าถึงมรึงผลที่เรียกกันว่าโมกตธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสหรือว่าทำเป็นเครื่องพ้นจากควาต่างสงสารหรือว่าทำเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์จะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอตัตตกิรมถานโยกเว้นจากการทรมานตัวคือว่าอย่าอดอาหารอย่าปล่อยให้ร่างกายหิวอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วในการก่อนและย่าทรมานตัวเกินไปก็การปฏิบัติอย่างนั้นเราทำมาแล้วทุกอย่างและก็ทำมายิ่งกว่าใครทั้งหมด แต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยบผลได้ในปัจจุบันี่เห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านนิยมการเจริญพระกรรมฐานด้วยการทรมานตัวนั่งเครียดตามที่เห็นมาในที่บางแห่งนั่งกลั้นลมหายใจบาง บางทีก็แข่งขันเวลากันกุฏินี้เราเจริญมาตกรรมฐานตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มตั้งใจว่าจะพักนอนลงไปประเดี๋ยวหนึ่งกุฏิน้นเสียงนาฬิกากรีง๊งขึ้นมาอ้าวคนนั่งแล้วดูนะ่นะเราไม่ยอมแพ้ลุกขึมานั่งใหม่นั่งใหม่เพราะได้กำลังใจดีเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะพักกุฏินอนเขน า, าริกาปลุกกรี๊งขึ้นมาแต่ความจริงเ้านอนอยู่ ในกาปลุกขเขาเพิ่งตื่นเราก็ไม่ยอมแพ้ทำต่อไปเป็นอเมร์คืนยังรุ่งทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยนี่เคยเห็นมาอย่างนี้เป็นการทรมายเกินไปท่านนั่งไปเห็นว่ า, ารมใส่ด้วยมันมปวดเมื่อยทนไม่ไหว ก, ก็เปลี่ยนยาบทเสียนั่งนอนยืนเดิ น, เดนทําได้เหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักผ่อนอยาไปทรมน ม, นมันมันจะเกิดเป็นโรคประสาท นี่จำนะจำแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ปฏิบัติตามห้ามการทรมานกายถ้าใครเป็นโรคกระบาดเนื่องจากจเจริญพระกรรมฐานผมจะไม่รับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าทำแค่พอดีคน ด, ดีมันไม่ไหวก็นอนภาวนาให้มันหลับไปนี่อย่างนี้เรียกว่าอาตาัตตกิลมัฏฐานิโยคต้องเว้นเสียเรื่อการดีสองกามสุขานิการใโยค เวลาที่จะเริ่มภาวนาและพิจรารณาขณะเดียวกันนั้นก็นึกอยากจะได้ชัน้นโน้นนึกอยากจะได้ชั้นนี้นึกอยากจะได้อย่างนั้นไอตัวอยากนี่ท่านแปลว่ากามคือความใครมันทําให้อารมณ์ใจกระสับกระส่ายไม่มีผลในด้านของความดีนี่ขอธรามยโยคาวจรนังหลายจงเว้นอาการอย่างนี้เสีย อยาทำยาสร้างมันขึ้นมามันจะเป็นโทษมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับบรรดาท่านทั้งหลายส่วนที่ทำให้แทนทายได้ดีองสมเด็จพระจอมไตรบรมสาต์สันดากราวว่าต้องใช้มัชิมาปฏิปทาคือทำแค่พอเหมาะพอดีถ้านั่งท่านี้มันเมื่อยแล้วก็พลิกได้เปลี่ยนอินทยาบุได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนวิยาบทก็ค่อยๆเปลี่ยนวิยาบทนั่งนานเกินไปถ้ามันทนไม่ไหวนั่งคาตมาร์ตนั่งพับเทียบก็ลุกก็มันนั่งเก้าอี้ห้อยขายเขาได้เองกายนึกว่าสมัยว่าเราไม่ได้ฝึกกายนีเราฝึกฝึกใจนั่งไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินเดิน เราภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ว่าเดินหรือว่ายืนมันนั่งยืนเดินไม่สบายก็นอนนอนไม่ไหวก็ปล่อยให้มันหลับไปอย่าทรมานมันตอนนี้เวลาตื่นตั้งใจเสมอว่าก่อนจะหลับถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรเราจะยึดอารมณ์นี้ไว้ทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จับอารมณ์นั้นทั้งๆ ท, ที่นอนอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ทําตามตอนนั้นไปเลยหรือว่าไม่พอใจในการนอนจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จงจะลืมว่าพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งกอดีท่านได้จากการเดินพระกรมมฐานกองนั้นจะไม่เสื่อมเพราะเราได้มาจากอิริยาบถที่มีการเคลื่อนไหวระบรรดาท่านพโยคาววจรทั้งหลาย เวลาที่จะแนะนำกันสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ขออนดญไปก่อนต่อที่นี้ไปก็ขอสาวกพระองค์สมเด็จพระจินนวร์จงใหพยายามทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ตั้งใจใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจาสัยจใสจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี